ตุลาคมพุทธศักราช2556หลวงพ่อไปเทศงานของหลวงปู่ใหญ่วัดโพธิสมพรพระอุลรมยานโมลีเมื่อคืนนี้เขานัดห้าโมงเย็นหลวงพ่อไปถึงก็ขึ้นธรรมาเลยก็แสดงธรรมใช้เวลาชั่วโมงกว่า เสร็จแล้วก็แจก MP3 หลวงพ่อเอา MP3 ไปหก0้อยชุดหกร้อยแผน่นให้พระท่านจัดให้พ่อเอาไปแจกคนไปึงดูดูันจากสองสามพันมั้งคนมากมาาเมื่อวานทั้งข้างนอกข้างในทั้งนอกท้างในนลกวก็เต็มแบบยัดจนไม่มีที่จะนั่งแล้วก็ข้างนอกอีก รู้สึกว่าลูกหลานสนใจใยธรรมะพอสมควรอยู่เมื่อวา น, นแจกเอ็มพ0สามหกร้อยแผ่นได้แต่แถวหน้าโอ้หลวงพ่อก็คาดเป็นถึงเหมือนกันว่าคนจะมากขนาดนี้แต่เมื่อวานหลวงพอ่อเทศน์วนเน้นเรื่องสมาธิมากเมื่อวานนะเรื่องพิธีวิธีการทำสมาธิ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 จะเป็นวิทยาศาสตร์ขนานไหนขแขนงไหนเออตั้งแต่หน้าซาดลงมาไม่ว่าวิทยาศาสตร์การแพทย์ไม่ว่าวิทยาศาสตร์ออตรวจด้วยเครื่องจุลทรรศระดับไหนตัวได้แต่เพียงกายเท่านั้นเองรูปประธรรมรูปประธรรมในตรวจตรากันได้แต่นามธรรม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 ถ้าโซเฟอร์ขยับขึ้นไปสตาร์ทเครื่องตึบ๊บอขับรถออกไปได้เพราะนั้นพระพุทธเจ้าจึงให้ความสำคัญว่าใจเป็นใหญ่ใจเป็นหัวหน้าสามเร็จแล้วด้วยใจแต่วิทยาศาสตร์ของเขาเน่เขาค้นได้ตั้งแต่รถอยู่เท่านั้นเพียงแต่รถเพราะเห็นเป็นรูปธปรรมศึกษาสมองนึกคิดเรื่องอะไร แต่คนที่มาใช้สมองนะั้นวิญญาณที่มาใช้สมองนะ่ะนามธรรมที่มาใช้สมองนะั้นเขาไม่รู้นำตามไม่ถึงเพราะฉะนั้นเมื่อตามไม่ถึงเลยจะว่ามันไม่ใช่ไม่มีหรอกก็แสดงว่างโงก่เกินไปแ่ะเหมือนกับ น, นา s านะตัวเองขึ้นไปถึงโลกพระจันทร์ดีอกดีใจไปถึงโลกพระอังคารก็ดีอกดีใจ แล้วดาวในท้องฟ้าละ่ะมากมายมหาศาลไปทกดวงละอย่างอย่างทำไมไปไม่ถึงเพราะเหตุไรเพราะไม่มีวิธีกรรมวิธีการที่จะไปให้ถึงได้ไอสิ่งที่เราไม่ถึงนั่นสิ่งที่เราไม่เห็นสิ่งที่เราไม่พิสูจน์ยังไม่ได้เนี่ยเราจะจัดบา้าเราโง่หรือเราฉลาด แต่ก็ไม่ยอมว่าตัวเองโงนะ่นะทนนี้หมูมบหมับหมูบหมับเหมือนกันบอกข่าไม่รู้จะว่าโง่หรือฉลาดข่าไม่รู้ทั้งนั้นแหละแต่ตามไม่จริงถ้าพูดตามภาษาศัพท์เราก็ต้องว่าโง่ทั้งนั้นสิ่งที่เราไม่รู้ย่าหลังพิสูจน์ไม่ได้เรายังโง่อยู่ในจุดนั้นนี่แหละไม่ใช่ว่าเราจะรู้ได้หมดทุกอย่างสิ่งไหนก็ตาม ที่เรายังไม่รู้เราไปตปฏิเสธได้ยังไงอันนี้พระพุทธเจ้าท่านรู้ได้แล้วว่านามธรรมเป็นใหญ่โซเฟอร์เนี่ยเป็นใหญ่โซเฟอร์เป็นหัวหน้าสาเร็จด้วยโซเฟอร์รถคันนี้มันจะไปทางไหนเพราะนั้นโซเฟอร์เนี่ยจะต้องได้รับการอบรมอย่างดีเอาศีลธรรมจริยธรรมต้องโซเฟอร์ต้องมีมารยาทพูดง่าย ถ้าโซเฟอร์ไม่มีมารยาทที่ดีไม่มีศีลธรรมจริยธรรมมีที่รับมีที่แจ้งเอเห็นมอเตอร์ไซค์ขับมาขวางถนนเสียวมก็ น, นานะเลยชนมอเตอร์ไซค์ของเขาเพวกใครไม่เห็นหรอกก็วิ่งชนเฉร็จแล้วก็วิ่งหนีใครไม่เห็นอันนี้แปลว่าโซเฟอร์ไม่มีคุณธรรมศีลธรรมจริยธรรม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 ของพระพุทธเจ้าเขาเราแล้วควรปฏิบัติตนอย่างไรควรจะรู้แจ้งเห็นจริงอย่างไรนี่ต้องศึกษาแหละท่านนาต้องศึกษาเพราะวิชาในโลกจะมีมากขนาดวิชาธ ร, รมหาเลี้ยงชีพอย่างเดียวในมหาวิทยาลัยมีกี่แขนงที่เราเรียนมีกี่อย่างมีกี่แขนงแต่และมหาวิทยาลายัย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 ตัวโทสะฮะถ้าเห็นอะไรมีแต่อยากได้ของเขานั่นแหละตัวกิเลสตัวโมหะตัวโลภะนี่นแหละอยู่ในจิตใจของเราคือตัวใหญ่ที่สุดอยู่ในจิตใจที่ทําให้จิตใจของเราเนี่ยเกิดโทสะบัางราคะบั่งโลภะบั้งเนี่ยมันอยู่ในจิตใจแต่เพราะพระพุทธเจ้าท่านมองะจะกาจัดออกได้ยังไง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 แต่ตัววิญญาณตัวผู้รู้เนี่ยเข้ามาอยู่ในห้องแอร์ใ น, นลักษณะอย่างนั้นนะท่านเปรียบเทียบคนนี้พระอระหันต์ที่ท่านได้ปฏิสัมพิธายานเตวิชโชสละพิโยปฏิสัมพิทับประตูพระรานที่มีท่านได้มีวิชาไม่ใช่พระอรหันต์สุ ข, ขวิปัสสโกถ้าเป็น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 พิสูจน์ได้แต่งแต่ดาวดาวพระอังคารดวงจันทร์ไม่กี่อย่างฮะแต่ดาวในท้องฟ้ามีไหมมีขึ้นไปสูงเท่าไหร่ก็ยิ่งเห็นใกล้ใหญ่ใหญ่ก็อยู่มองด้วยสายตาในเมืองมนธธุษย์ะมองด้วยกล้องเท่าไหร่ยิ่งเห็นมากแต่ที่ไกลๆอย่างนั้นะกี่ล้านกี่ล้านล้านใหม่เห็นกันยังว่าไปอีกนั่นแหละตุนนั้นมันไปไม่ถึงะ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 เราไปหาขุดที่อื่นก็ก็ไม่รู้โดยโดยเดไปงั้นอ่ะไปขุดเกา่านน่นเกา้านี่ไปโอไม่มีนะเพราะเหตุไรเพราะเองตัวเองไม่จริงจังไม่เชื่อมั่นอีกต่างหากและจะไปรู้ได้อย่างไรนะถ้ามีความมุ่งมั่นมีความตั้งใจจริงมีความเชื่อเป็นเบื้องต้นซะ ก, ก่อนจากนั้นลงมือขุดปฏิบัติตามที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์แนะนําสัง่งสอนไม่เหลือพิสัยเดฉะนั้นะขอให้พวกเราทุกท่านนะ ที่พูดให้ฟังทั้งนี้ทั้งนั้นก็เพื่อเป็นแนวความคิดเพื่อแนวการศึกษาคนสมชายมันกำลังจะลองขึ้นมาอีกอรับพรในเสน่นะ